ต่อเรื่องความสัมพันธ์สร้างสรรอบอุ่นโดยพระ 10 พฤศจิกายน 2535 ที่พุทธสถานสุติอโศกขอ ยิ่งจะต้องเตือนกันก็ยิ่งหนาวมาก็ยิ่งจะไม่อบ <c oughs> อ่าบอกถึงจุดที่สําคัญสําคัญกับพวกเรามากขึ้นแล้วกิริยาอาตมา กิริยาของคนพวกเราเนี่ยมันจะไม่เป็นกิริยาอย่างชาวความรักความ ความสัมพันธ์อันสนิทกันอย่างคนลกโลกโลกีย์นี่นะผู้หญิงกับผู้หญิงๆดิด สัมพันธ์อันแน่นแฟนจะกอดจะรับเจอแต่จะ ลีลาที่มันแสดงอย่างนี้เป็นสมมุติของความสัมพันธ์เป็นความสมมุติ ในระดับไปถึงขนาดโลกุตระน่ะไม่ กรอดรัดฟัดเวียนหรือว่าแสดงลีลาภาษาอะไรเอ่อเอ่อจัดจ้านอะไรต่อ เอาอันนี้เป็นการวัดค่าว่านี่เค้าเค้ารักกันเค้าอบอุ่นนะเค้าสนิทสนมอ่าเค้ามีความสัมพันธ์อันแน่นหนา ก็ยังดูเห็นว่าอบอุ่นแต่ก็จะดูว่าจืดตรงไปเหมือนกันความสัมพันธ์อันสนิทของมารยาทสังคมเค้าก็จะอยู่ ทีนี้มาถึงด้านโลกุตระโลกุตระจะระงับ มันก็จะดูแข็งก็จะดูแข็งจะดูๆเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยแต่ คนที่ปฏิบัติอบรมฝึกแข็งขาดหางตัดไม่ไปสัมผัสไม่ไปสัมพันธ์ขึ้นเรื่อยๆจริงๆยิ่งเคร่งเท่า กิริยาเหล่าเนี้ยกิริยากายวาจาที่โลกๆเนี่ยเอามาตีค่าหรือเอามาวัด ถึงแม่ไม่เคร่งแล้วก็ตามทําได้แล้วดีแล้วล่ะละละวางได้ กิริยาเหล่านั้นไม่ถึงแน่ก็จะมาหาอย่างกัลยากัลยาณชนในชนใน ท่าทีลีลาอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ดูสัมพันธ์นอกกิริยารูปนอกมาวัดมัน น่ะไม่สัมผัสนิมอบอุ่นซึ่งอาตมาก็เคยกล่าวหลายครั้งแล้วดูดดึงผูกพันใจวินิพพันธาเนี่ยนะผูก มีรสชาติความผูกพันใจแบบโลกๆมีความใกล้ความอยากความกระหายความรัดริ่งพอใจจี๊ดาจริงๆใช่มั้ยจริงๆแต่เราผูกพันด้วย เสธสมานได้อธิบายมากเลยว่ามันเป็นญาติติดธรรมมันเป็นการพึ่งพา เจ้าอาตมาบอกแล้วว่ามัจจุรีญามันจะไม่เหมือนแน่นอนแต่ใช้ภาษาสำนวนว่าอบไม่ได้รู้สึกว่าจะแตกจะ กำลังทําความเป็นจันไรอะไรไม่ได้กําลังพูดสิ่งที่ ที่อยู่ในความหมายว่าสนิทสนมเกื้อกูลสัมพันธ์สนิทเนี่ยไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่า ทีนี้โลกุตระเหล่านี้เนี่ยไม่สัมพันธ์ไปซึ่งใจไปเพื่อเพื่อคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพื่อเสพสุขสัมพันธ์กันไม่ใช่เพื่อๆที่ว่าไม่ นึกว่าเป็นๆเราลดลดลดอร่อยลดๆด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของพวกเราเองก็ตามเรา วนเนียสนิทอะไรไม่อะไรอ่ะอธิบายง่ายๆยกต้นยกยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าอ่าเราได้กอดกันเนี่ยนะ สัตว์รสอันนั้นไม่ได้แสดงกิริยาอย่างนั้นแม้มาเจอกันที่เราว่าเออเราสัมพันธ์สนิทกันแล้วนี่นะแต่แบบโลกุตระเนี่ยมันสัมพันธ์มันโอ้ดีนะมันมีความรู้สึก อาตมาไปปิไปประถมเออพอท่านมาแล้วก็ไม่ต้องไปกอดกับใครอ่ะนะอาตมาก็ไม่ต้องไป แต่ก็เป็นความจริงอันนึงของแบบโลกๆออกมาแล้วก็มันก็มีความรู้สึกรบอันเองก็ก็ชื่นใจเขา เออก็รู้สึกเออกับมนุษยสัมพันธ์สนิทที่มันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นอาตมายกตัว อ่ากิริยาคุณสัมพันธ์กันในกายกรรมไม่มีกัน ถึงแม้แต่ไม่ได้แตะไม่ได้จับไม่ต้องเลยเหมือนอย่างอาตมามันก็มีมันก็มาก็ไม่ชื่นใจเป็นรถโลจีอย่างนั้นทีเดียวแต่ก็รู้ ชาติแบบโลกีย์นะแต่ก็อุ่นฟังดีว่าอบอุ่นคําเดียวกันในภาษาไทยนี่แหละแต่อบอุ่นอีกอย่างนึงอบอุ่นว่าเออมีอะไรที่จะได้พึ่งพามีอะไรจะได้วาจาและก็ได้มันอบอุ่นลึกๆ ในตัวคนมาใกล้กันอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีกรรมกิริยาหรือมีจริงๆแล้วจะเป็นการสัมพันธ์ทาง ใกล้ชิดกันก็พอมาแล้วก็เออดีแล้วล่ะมามาใกล้ๆๆชิดกันอยู่อย่าง ที่อาตมาพยายามอธิบายไปจนกระทั่งขนาดนี้เนี่ยพอเข้าใจได้โลกโลกโดยกิริยาไม่เหมือนก็โลกก็ตามกายกรรมๆ เรื่องลักษณะละเอียดละออที่อาตมาพยายามอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยมันเป็นลักษณะที่พัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์กายกรรมหรือเป็นพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรม ไม่ใช่ตกต่ําเป้าหมายลึกติกเราต้องการความอบอุ่นด้วยสัมพันธ์อันสนิทที่จะเกิดแรงพลังเกิดความเหนียวแน่นเกิดเกื้อกูลเกิดการรังสันเป็นคุณภาพพลังความ ที่มีนั่นน่ะเอาไปสร้างสรรค์สิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีทางโลก 100 คนนี้ถ้า 100 คนของโลกุตระกับ 100 คนของโลกิยะอันนั้นโอ้โหถ้า 100 คน คุณภาพที่จะสร้างสรรค์ขึ้นๆ100 คนเนี่ยจะพาไปทําลายสัก ทำลายไปอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเกิดจากความสัมพันธ์อันสนิทหรือเกิดจากความนะ ธรรมะมันลึกซึ้งอย่างนี้แล้วก็มีอะไรที่ซับซ้อนที่อาตมาพยายามที่ มันมีข้อเปรียบเทียบยังไงมีข้อเปรียบเทียบมันจะชัดขึ้นก็ไม่ชัดกว่าเนี่ยพวกคุณก็จะเห็นชัดขึ้น มันมีลักษณะจริงของกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมหรือพฤติกรรมของพวกเรามันพอๆเอามาโชว์ ทางกายกรรมกิจกรรมหรือแม้แต่มโนก็ตามใน รกกุษธราพที่ดียิ่งขึ้นที่มีคุณภาพรกกุษธราพวัตาวจา padding and a lesser point, rg tsimpool. alors lg tsimpool hip sa digayantway a bunch of options. ancheekulisar把它your philosophy made in be missed.他 be more than a less than a ASGED bar 속 of 책b $1 tsimpools,Vatigal. So happiness. hat ofüss. rett.hème through yourenment.wa vast attara.يعwydah there so to be no question일at? it's difficult? right there are there? It's in history. prp.com through to the house. Nñan好的. It's ก็อบอุ่นก็อบอุ่นบางทีอาตมาเนี่ยไม่ต้องอะไร ทักทายไม่พูดไอ้แบบภาษาที่เกี่ยวพันๆแล้วเค้าก็เอากิริยาชัดๆ จะเสียเวลาแน่นอนเลยแต่ดูง่ายนะเพราะว่าท่านเองท่าน ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรไม่เห็นจะเสียหายอะไรแล้วพวกเราก็ได้คนที่เข้าใจยัง ไม่ไหวอ่ะฟังฟังไหวมั้ยเนี่ยที่อาตมาพยายามอธิบายเอ่อขยายอะไรๆเข้าไปให้เห็นมากๆเนี่ยนะแต่จริงๆหรือพวกภูฤาษีเนี่ยชักชอบอ่าเอาแบบ ได้เพิ่งตีกินอาตมาพยายามๆที่มันก็ รับไม่ได้ด้วยว่าคนเค้ายังต้องการในสิ่งที่เค้าต้องการอยู่เนี่ยมันมี ถึงแสดงออกไม่ใช่ไม่แสดงถึงแสดงออกเขาก็ไม่ต้องการนั่นล่ะ นะจะเข้าใจสอดซ้อนกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่ละเอียดละออ แทรกซ้อนซ้อนๆมายังทําอยู่มันก็จะมีกิริยาเหล่านี้ผสมผสานอยู่บ้างแต่ค่ารวมแล้วมันก็จะน้อย บางสิ่งบางอันเป็นมารยาทที่ฟุ่มเฟือยเป็นมารยาทที่เยิ้ม คนไทยเราไม่มีแต่ก่อนนี้ไม่มีไม่พูดมันไม่ครบหรอกนะคุณฟังแล้วคุณก็ไปๆจ๋าๆนอก เราอาตมาพูดไม่ไม่ไม่ถูกพูดไปหมดน่ะเออกิริยาๆเพราะฉะนั้นมันจึงจริงๆ ก็คงเข้าใจนะว่ากาย ศัพท์จากอะไรพอถ้าสัมพันธ์ได้กับกิริยาๆแล้วล่ะก็โลกุตระมีมากกว่าโลกิยะ ปรารถนาดีของเขาก็เกินเลยแต่ปรารถนาดีของโลกุตระนี้เป็นปรารถนาดีที่ไม่เกินเลยได้เนื้อ ถ้ายิ่งไม่มีอะไรจะเสพน่ะเป็นคน 2 คน 3 คน 4 คนต่างคนต่าง ไม่ปรารถนาแม้แต่คําชมเชยแต่เป็นความบริสุทธิ์ใจที่ อาจารย์แก่บอกว่าคนนี้ช่วยเหลืออันนี้ปั๊บกับกิริยากายช่วยช่วยเหลืออย่างเงี้ยอ้าวหก แม้แต่คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมา ก็ไม่ได้หมายความว่าอันนี้เขาไม่สนิทชิดเชื้อเขาไม่ได้สนิทสนมเขาไม่ได้ ถ้าลักษณะสร้างสรรค์ก็คือรวมกันไปแล้วก็ร่วมแรงกันเลยจะมีความคิดความอ่านมีกายกรรมกิริยาอะไรจะลงมือกระทํายังไงก็จะทําอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรขัดแย้งไม่มีประชดประชันกําลังรวมเหล่านั้นก็ยิ่งจะเป็นแรงงานผนึก เข้าใจมั้ยนี่คือความสนิทสนมอันเนื้อความสัมพันธ์อันสนิทหรือว่าความอบอุ่นหรือว่าประสิทธิภาพของ ไม่ต้องเปลืองรูปไม่ต้องเปลืองนามถ้าตัดออกได้ไม่ต้องเปลืองรูปไม่ต้องเปลืองนามนั่นคือความความ ว่าในหมู่ชนชาวอโศลเราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าว่าพวกเราไม่ ลงตัวขนาดไหนตัวขนาดไหนมันก็มีความกังวลเกิดโรคทางจิตอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเราไม่สมบูรณ์รู้สึกว่ากลุ่ม เรเราก็จะรู้สึกว่าเราพร่องเราไม่สมบูรณ์แล้วเมื่อคนเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่พร่องไม่สมบูรณ์เนี่ย อ่าเข้าใจอย่างชัดเจนเชื่อมั่นแม้ยังไม่เกิดจริงกับพยายามอบรม ในความยังวิจิกิจฉายยังงงๆยังไม่แน่ใจ มันอธิบายลักษณะของนามธรรมที่มันจะเกิดจะเป็นขึ้นมาได้นะเพราะมันถึงมีคุณภาพที่จะสร้างสรรค์มีคุณภาพที่สงบอยู่ในตัวอ่ามันเป็นคุณภาพความสงบๆ เพราะมันจะมันจึงกลายเป็น แล้วพวกเรานี่ก็พัฒนาไปสู่จุดที่จะสูงขึ้นด้วยเจริญขึ้นดังกล่าวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะยิ่ง สมเพลืออยู่ๆรู้จริงๆแล้วลดละลงเถิดนะไม่ ที่ดีขึ้นนะเมื่อเข้าใจแล้วคนอื่นก็มาทักมาท้วงเรา ลีลาออกไปอย่างนึงแล้วก็เป็นความเป็นคําอธิบายถึงลักษณะที่มันเป็นความ ซึ่งมันไม่ใช่โลกุตระไม่ใช่ลีลาทั้งอย่างโลกมจีกรรมมันเหมือนโลกๆ เข้าเียมกันมันไม่ใช่มันอาจจะอนุโลมคือที่เรียกว่ามารยาทบ้างแต่ แต่ลบกุตะระไม่ได้ผสมกิเลสเพราะฉะนั้นแม้จะอนุโลมเป็นมารยาทมารยาทแล้วๆอย่างต่างกันไม่ใช่บําเรอกิเลสอือ ไม่ประสานได้เพราะว่าอันนี้ต้องมีลักษณะนี้ไม่งั้นมันไม่ประสานเลยมันมันขาดขาดขาดขาดจุดสัมพันธ์ไปนะมันขาดมัน ก็ต้องสอนในทีจะต้องพยายามที่จะตัดอยู่เสมอขัดเปล่าอยู่เสมอสละเลขธรรมอยู่เสมอน้อยลงน้อยลง ท่านติกขวิโรนี่นะก็เป็นปัจฉาไปมาแทบจะจะกินจะมีอะไรหรอกนะก็ไม่ ลีลาไอ้ประเภทที่จะต้องมียมเยิมกับน้อยสัมพันธ์กันสร้างสรรค์ช่วยเหลือเฟื้อไฟอะไรกันอยู่ตลอดเวลานั่น อ่ามาอยู่ใกล้กันแล้วมันก็จะแสดงสภาพที่ร่วมกัน ข้อสําคัญเข้าใจแนวลึกของว่าเราไปเสียแรงเสียอะไรต่ออะไรไม่เค้าเรื่องเค้าเราออกไปไม่เค้าเรื่องนั้นต่างๆนานาน่ะอะไรบ้างแล้วเราก็เลิกเสียหรือว่าลดอย่าไปมัวนัวเนียมัวหนังสันนี่มัวเสียแรงงานเสียเวลาเสียทุนรอนอะไรไปใน ก็จะเกิดสภาพที่ได้ทุนได้เนื้อหาที่ดีงามขึ้นมาได้มากขึ้นกว่านั้นกว่า นะได้มั่นใจว่าไม่ใช่ว่าเรานี่และมีเนื้อหาที่ต่างกับเขาคิดอ่าแต่ก็สอดคล้องต้องเหมือนคําที่ ว่าพวกเรานี่มีพลังรวมๆนะขัดเคล้ากันร้อนขนาด เชื่อมั่นเนื้อหาในของกันและกันมันทนกับความร้อนนี้ได้เจ้าเราจะใช้โวหารภาษาว่าจริงบางทีบางครั้งบางมันระแหงระแงหรือว่า อย่าให้เกิดอาการอย่างนั้นอ่าเราจะอยู่รวมกันเนี่ยเราจะมาชังกันเรา เนี่ยลักษณะทุกอย่างมันก็มาล้างความดูดๆสิแม้ ความมุ่งหมายของเราก็ต้องการที่จะให้เกิดความอบอุ่นๆแล้ว แต่คุณพยายามทําบ้างได้นิดได้หน่อยก็แล้วมันอบอุ่นแล้วมันจะไม่ มันก็จําเป็นผู้ที่จะอยู่กันอย่างอบอุ่นอยู่กันอย่างช่วยเหลือกันไปจนกว่าจะ ความหมายเรื่องว่าการขยายความที่อาตมาได้ๆ มีผู้มาฟังก็ไม่มากนักอย่างนี้แหละมือตะวันวันนี้เป็น น่ะความสามัคคีก็จะเกิดสัมพันธะที่สําคัญที่พวก ไม่เข้าใจก็ไม่ค่อยช่วยเข้าใจก็ไม่ค่อยช่วยหรือว่ามีสภาพคนนั้นกั้นมันจริงว่ามันไม่มีอะไรที่จะผลักตัว หาละอาตมาอาตมาจะพูดอันนี้พอสมควรแล้วนะที ขอยำตรงนี้คนเราจะมีค่าตรงงานคนโลกโลกเค้ายังเข้าใจเลยค่าของคนอยู่ที่คนโลกโลกเค้ายังรู้ๆ เสล alakalı เจริญนะแต่นั่งหรือลุกถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาเดินก็เดินไปอย่างงั้นน่ะพาร่างกายไปแต่ไม่ได้ทําอะไร เมื่อเราทํางานทางโลกเราก็รู้รู้แล้วว่าเราทํางานทางโลกเนี่ย คนก็ยิ่งขาดทุนยิ่งไปเอาเปรียบเอารัดจึงไปโลกกับธรรมอย่างลกโลก แล้วเมื่อทํางานทางโลกุตระภาคมก็อยู่กับพวกเรานี่คนเกิด생เกิด ได้ลาบแล้วก็ได้ขึ้นยศขึ้นชั้นได้มีอํานาจได้มีความใหญ่ความโตชื่นอกชื่นใจเข้าไปอีกแต่ เมื่อๆนานๆเค้าก็ยังโหยโหยอยากได้พอไม่ได้มันก็เซ็งๆอู้รออย่าทําเลยมันไม่มี 100% หรือเปล่า 2 เรื่องของกิเลสทีนี้อันนั้นโลกธรรมชัดๆชัดๆเลยประเด็นที่ 2 ก็คือเราไม่สมใจเราชังน่ะไม่สมใจในชังนะไม่ใช่สมไม่สมใจในชอบเดี๋ยวฟังอธิบายไม่สมใจในชังเนี่ยแล้วก็เราโกรธเรา เราไม่อยากจะอยู่ร่วมไม่อยากจะอยู่ร่วมเราไม่อยากจะทําร่วมเราไม่อยากจะ จะไม่มีจะไม่เบื่อไม่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ไปมีตัวประเด็นแรกอ่ะนะว่าทําเพื่อลาภยศแล้วคุณสบายแล้วไม่ต้องลาภหรือยศก็รู้แล้วแล้วเราก็ชํานาญแล้วเราก็ไม่ได้ทําเพื่อจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นในประเด็นมันก็จะไม่ ทีนี้ประเด็นสุดท้ายประเด็นชอบทําแล้วต้องสําเร็จสมใจทีนี้ทีนี้เราทําแล้วไม่สําเร็จสมใจเนี่ย ถูกไม่ตามใจมันเป็นกิเลสอัตตามานะมันละเอียดลึกซ้อนขึ้นไปข้างในนะเพราะงั้นพวกนี้ก็เมื่อมันไม่ เราจะพลเอาละกิเลสพวกนี้ได้ 1 เราโรคกระทําหยาบๆเราละได้จริงนะคนในของตัวเองอ่าในสาย ทำแล้วก็จะต้องสมใจทําไมสมใจก็ไม่ เมื่อเราไม่มีกิเลสในส่วนตัวหรือกิเลสของเราน้อยเราจะรู้ เราไม่ใช่จะดูว่าจะอยู่ด้วยกันก็ได้แต่จริงๆนอนๆเอ่อเล่นๆไอ้เกิดเกิดเคริกเฮฮา คนนี้เจ็บคนนี้ป่วยคนนั้นแก่คนนี้ขาดอันนั้นอันถ้าคนนั้นเป็นคนสนุดโดดดีก็จะไม่มีมายอะไรหนักหนาโดยอย่างน้อยเราช่วยตัวเองได้จะกินจะช่วยตัวเองได้ช่วยเราบ้างแต่เราก็ไม่มาก สรุปแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีชีวิตที่จะมีงานการมีวันผ่านเดือนผ่านปีไปคนที่ลดละสิ่งที่ไม่ทําให้ ให้มันสมดุลของชีวิตสมควรนอนคนพักกับพักตื่นขึ้นมาได้ก็ จนกว่าจะตายนี่โอ้โหได้กอบบุญได้สร้างๆ3 ตัว นะไม่ไม่โมหะก็คือถูกต้องทําให้จริงให้ตรงไปสนิทหรือคนทําไมมันถึง ก็คิดว่าจะเป็น